หรือไม่เพ่งไวแรงๆนะก็ฟุ้งซ่านไปอย่าไปกลัวมันทำใจสบายๆอย่าไปน้อมอย่าไปบังคับให้สงบสงบก็สงบของเขาเองอะได้เวลาแล้วเวลาออกจากสมาธิแล้วนะค่อยๆออกอย่ารีบรลอดพลาดออกมานะรีบร้พลาดออกมาจะปวดหัว ปกติถ้ามันเข้าสู่ความสงบนลจิตม็นถอนของมันเองก็ค่อยออกมาแต่ถ้าเรามีทุระจาเป็นจะต้องออกเร็วๆนะอย่าไปฝืนใจให้ออกหายใจให้แรงขึ้นเลยทำความรู้สึกตัวนะหายใจให้แรงขึ้นเอาหายใจให้แรงขึ้นหน่อยอากาศเยอะที่นี่นะออกซิเจนเยอะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาบางคนท่าจะไม่ยอมลืมอีกแล้ว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 เฉพาะคนที่มาเข้าคอร์สบางคนติดสมาธิมาก่อนฝึกสมาธิซึมๆมาก่อนถ้าอมไรจิตซึมเสื่องซึมไปนะจิตนิ่งๆทื่ๆๆๆๆอๆซึมๆเบลเบเออๆอจิตอกุศลแล้วจิตที่เป็นกุศ ล, ลต้องมีสติมีความปรัดเปลียวว่องไวอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตรู้สึก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 เรากลับไปหลงสร้างอกูสโรจิตขึ้นมาะคิดว่านี่แหละคือการปฏิบัติธรรมไปสร้างอากุศโขึ้นมามันจะไปปฏิบัติอะไรมันไปสร้างเตรียมสร้างพบสร้างภูมิที่เร็วๆรออยู่ข้างหน้านั่งแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยๆนก็เตรียมไปเป็นเป็นตัวอะไรฟุ้งสร้านเดรัจฉานนั่งแล้วก็ซึมกระเทิมหงอยหงอยเงื้องเงื้องเป็นตัวอะไรก็เดรัจฉานอี้ก นั่งแล้วเครียดเป็นตัวอะไรสัตว์นรกนั่งแล้วเครียดเป็นตัวสัตว์นรกนั่งแล้วก็อยากไปเรื่อยอยากสงบไปเรื่อยเป็นตัวอะไรเป็นเปรสนั่งแล้วคิดไปเรื่อยทํายังไงจะดีวันนี้ทํายังไงจะดีวันนี้ต้องเอาดีให้ได้เป็นตัวอะไรโอ้เก่งเนาะชรอยจะเวียนตายเวียนเกิดมามาก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 ก็เลยคิดว่าเบื้องต้นต้องมาดูกายอ น, นั้นท่านพูดในขั้นการเจริญปัญญาแต่แวันนั้นก็พูดตามประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ไม่ตรงพระใจปิฎกไม่ตรงอัถกถาที่เดียวหรอกเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ บ, ตบางส่วนการศึกษาเรื่องจิตมันมีก่อนถึงการเดินปัญญาก่อนจะเดินปัญญาต้องศึกษาเรื่องจิตก่อน คัรจะเดินปัญญาด้วยการรู้กายรู้เวทนารู้จิตหรือรู้ธรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นต้องเรียนเรื่องจิตก่อนบทเรียนที่หนึ่งีลสิกขาบทเรียนที่สองจิตตสิกขาบทเรียนที่สามปัญญาสิกขาตรงที่ชอบพูดกันว่าเอากายก่อนกายก่อนเป็นเรื่องของปัญญาสิกขาคนส่วนมากไม่รู้มากเปล่านะไม่มีการทาสถิติแต่ว่าแต่ก่อนๆ น, นะดูกายกันมาก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 เรืเดินปัญญาเรื่องการเดินปัญญาก็มีสิ่งที่ต้องเรียนเยอะแยะนะแม้เรื่องจิตก็ต้องเรียนเยอะแยะเลยอันแรกต้องรู้จักจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะให้ชํานาญต่อมาก็ต้องรู้จักจิตที่เป็นกุศลที่เป็นแค่ความสงบสมถะอย่างเดียวกนะับจิตที่เป็นกุศลที่พร้อมจะเจริญปัญญาสองอันนี้ไม่เหมือนกันจิตที่สงบอย่างเดียวเนี่วิธีฝึก ก็ต้องรู้ก่อนว่าทำไมจิตไม่สงบจิตไม่สงบเพราะจิตแสบใสไปหาอารมณ์น้นทีหนึ่งอารมณ์นี้ทีหนึ่งจะฝึกให้จิตสงบก็หาอารมณ์ที่จิตพอใจมาเป็นเหยื่อล่อใครพุโทโธแล้วสบายใจพุโทโธไปใครรู้ลมหายใจแล้วสบายใจก็รู้ลมหายใจไปใครรู้ท้องพองยุบแล้วสบายใจรู้ท้องหงยุบไปรู้ไปด้วยใจที่สบายใจที่มีความสุขมันจะสงบเอง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 ไม่ได้คนละเรื่องกันเลยไม่มีการพักผ่อนเลยไปได้ไหมไปแบบทุรนทุรายทุเ ล, ททเ ล, ททล็ทุเล็เออทุลักทุเล่ไม่ดีหรอกนะไปแบบแห้งแรงกัดดานลาบากยากเข็นเกินไปงนะั้นถ้าทำได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดนะทำจิตที่เป็นกุศลที่ใช้พักผ่อนก็เป็นทำจิตที่เป็นกุศลที่พร้อมกับการเจริญปัญญาก็เป็นถ้าทาได้อย่างนี้ดีที่สุดเลยนะ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 โลภะมูลจิตนี่ไม่เรียนนะก็เสื้อเสื้อไปวัตายเลยภาวานา ล, ล้ม ล, ล, ลุกลุกลานรู้หลักนัง่ายนิดเดียวเลยหลวงพ่อนะั้นแทบเขกหัวตัวเองเลยภาวานามาพอสมควรแล้วนะไปนั่งอ่านปริยัติอ่านอภิธรรมอะไรเงี้ยโอ้โหเราทําไมเราไม่อ่านซะก่อนวะเพราภาวานาจะง่ายกว่านี้เยอะเลยแต่มันนึกอีกทีนะถ้าเราไปอ่านก่อนเราคงไม่ภาวานาเพราะคงอ่านไปเรื่อยแล้วมันคิดไปเรื่อย แต่พอภาวนาเป็นนะแล้วมาอ่านโอ้โหสะใจมันรู้เลยว่าที่ท่านสอนไว้นะเป๊ะๆ เ, เ, เลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียนเฉยๆนั้นมันไม่เห็นสภาวะตีความเพียนออกไปอีกสุดท้ายก็ตีความนั่นแหละเพราะว่าไม่เห็นสภาวะของจริงในภาวนาไม่รอดถ้าเห็นสภาวะของจริงแล้วก็ไปอ่า น, นพิธรรมาอะไรโอ้โหเก่งนะรักษาสืบทอดกันมาได้บางส่วนเพี้ยนมีไม่ใช่ไม่มี อย่าอธิบายเรื่องโลกเรื่องอะไรเนี่ยคลาดเคลื่อนไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเทศจะเป็นนักปรารถนรุ่นหลังมาแต่งเสริมขึ้นมาเพื่อจะตอบคําถามของคนช่างคิดเน่ว่าศาสนาผู้จะได้ตอบได้ทุกเรื่องซึ่งมันไม่จําเป็นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นงดงามอยู่แล้วเนีย่ยถ้าเรารู้นะว่าถ้าจิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขแนละ้วไม่ยั่วกิเลสนะจิตจะเป็นกุศลขึ้นมาสงบ มีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเมื่อก่อนไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบนะนั่งภาวนาโ้ยฝึกกันนานที่แท้ง่ายนิดเดียวเลยนะจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็สงบนั่นแหละแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะถ้ามีความสุขมีความสงบขึ้นมางั้นจะเป็นโลภะนี่ถ้ามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจะทำยังไงจิตผู้รู้มันตรงข้ามกับจิตผู้คิด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 เหมือนประตูสี่ชั้นเข้าที่หนึ่งสองสามสี่เข้าไปในเมืองเมืองนี้ได้นะอาถกถาไม่ได้บอกงั้นในคัมภีร์ต่างๆไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนบอกสติปัฏฐานเหมือนประตูสี่ทิศนะสี่ด้านนะเข้าประตูใดประตูหนึ่งนะก็ถึงพระนิพพานไดนะ้จริงไม่จริงมีตัวอย่างนะพระอ น, นุนะในคัมภีร์สอนไม่ได้ในพระไตรปิฎกบอกไว้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 ไม่ได้เอาพพันคอมาเสียงพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะมันดูจิตใช้จิตตามอนุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเพราะมันแสดงความกลับกรอบแสดงการว่ากูไม่เก่งจริงหลอกกูบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างนะจิตใจวักแวกวักแว ก, ว ก, ว ก, ว ก, วกบังคับได้ไหมที่นึกว่ากูแน่กูแน่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะั้นเจอของจริงเข้าจ่อย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 แต่ว่าท่านจะเลือกให้ส่วนท่านสอนเราแค่นี้เราก็เรียนแค่นี้ก็จบแค่นี้เวลาเราไปสอนต่อเราไปสอนได้แค่เท่าที่เราเคยเรียนนะเดี๋ยบอกแค่นั้นเองลูกศิษย์เราไปได้อีกส่วนหนึ่ง mm hmm. สอบไปวิทยายุทธจะค่อยๆหายไปแต่ละรุ่นนั้นค่อยเรียวๆๆียวยวหายไปงันะ้นรู้ปริยัติบ้างก็ดีนะ mm hmm. จะทรงจำพระธรรมวินัยไว้ได้ครบถ้วนหนเลยอย่าไปดูถูกปริยัตินะของดีๆแล้วเลย อาเชิญเลยท่านข้าว